นคือช่วงของการฟังพระสูตรใ น, นภาคออนไลน์อันดับมาพระภบูลอภิปุลโนก็มาพ ร, ร้อมกับคุณหมอณัฐพงศ์ครับครับนักสการ์ครับคือผมณัฐพงศ์กันโวิรุณครั บ, รรบโอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพระสูตรพระสูตรหนึ่งแตัวนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องของทีฆะนักขาดสูตรครับทีฆะนักขาดสูตรนี้มาในมัชมนะมชิมานิไกมัชชิมานิไกคืออะไรหมอณัฐพงศ์คือตัวที่มีตัวพระสูตรที่มีความยาว กลางๆช่ใช่กลางๆพอประมาณซึ่งในเรื่องนี้ก็ยาวประมาณสิบกว่าหน้าแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ตอนนั้นพระเจ้าอยู่ที่เมืองราชกฤตที่เขาคิจกุดที่เขาคิชกูดเมืองราชกฤซึ่งอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับเขาคิจกู็คือเป็นภูเขาที่มีรูปลักษณะเหมือนหัวนกแร้งคิจกูดคิจกูดก็คือนกแร้ง ไหนมองมาจากไกลๆจากข้างล่างเนี่ยมันจะเหมือนกับหัวนกแร้งล้วก็เลยเรียกภูเขาตรงนี้ว่าภูเขาคิจกูดครับไหนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีภูเขา5ลูกอยู่ด้วยกันแนะก็เรียกว่าเป็นจักรีบริเวณนั้นลูกเนี้ยเรียกว่าเขากิจกูดเนี่ยพระเจ้าอยู่ที่นี่ไหนก่อนที่จะขึ้นถึงยอดเขากิจกูดเนี่ยก็จะมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งใช่ครับถ้ำตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นถ้ำสุการคาตาครับชื่อสุการคาตาจริงๆมันก็ไม่ใช่ถ้ำหรอกเป็นเหมือนกับ เนื้มผาเข้าไปนิดนึงใช่เป็นหลบๆเข้าไปใช่ใช่แต่ตัวนี้ในเอากสาราเนี่ยท่านอธิบายไปว่าในสมัยพระเจ้าองค์ก่อนๆองค์ก่อนๆหมายถึงก่อนหน้านี้องค์หนึ่งนะที่นนะรพระเจ้ากษัตริยแล้วก็มีคนเกามาค้นพบถ้านี้เพราะว่าจริงๆถ้านี้ถูกปิดอยู่แล้วก็มีหมูเนี่ยหมูนะสุกรนี่แหละามาเขีย่ยเขี่ยดินเขี่ยฝุ่นในบริเวณนั้นแล้วเขาสังเกตเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มีเหมือนมีอะไรปิดอยู่ก็เลยมาเปิดดูอ้าวเป็นถ้า เรก็เลยมาทําความสะอาดอะไรต่างๆเลยจึงเป็นที่มาของชื่อคําว่าสุกรขาตามีชื่อของสุกรอยู่สุกร์ใช่ครับใช่ใอันนี้มันมันจะเหมือนกับอันนี้นะไหมสุกรมัถวะที่ผู้เช่าฉันนะตอนก่อนปรินิพานคืนก่อนปรินิพานใช่ไหมวันก่อนปรินิพานเนี่ยในวันนั้นคือเหตุชนิดหนึ่งที่หมูชอบกินครับเขาก็เลยมาตั้งชื่อว่าเป็นสุกรมัถวะอหมูชอบกินใช่ไหมสุกรมัทวะเป็นเหตุชนิดหนึ่งอันนี้ก็ เป็นถ้ำที่หมูมาค้นพบนะก็เลยตั้งชื่อว่าสุกราคาตาอานนี้เป็นคา อ, อธิบายที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิบายาไว้<ม>ทีนี้เรื่องราวในในที่นี้เนี่ยก็มาจากปริพา ช, ชคคนหนึ่ง น, นที่ก็นามสกุลอคิเวสนะ<อ>นามสกุลอัิเวสนะซึ่งหลายๆ ค, ค, คนในสมัยพุทธกาลก็นามสกุลนี้นะมีนามสกุลเรียกว่าอัิเวสนะโคตโคตเนี่ยก็หมายถึงนามสกุล คุณมีนามสกุลอคกิเวสนะเป็นตระกูลนี้ใช่อย่างพระพุชาของเราเนี่ยมีนามสกุลโคตมะโคตมะอ่าใช่อ่าแล้วก็ในในปริพชกคนเนี้ยเขานามสกุลอคิเวสณะครับปริพชกก็คือหมายถึงอ่าเป็นคนที่เป็นนักบวชนอกศาสนานอกนอกคำสอนของพุรธเจาครับไม่ได้บวชแบบภิกษุตี่คนผมอะไรอย่างเง้ยเขาก็จะมีการประพฤติปรมจำในลักษณะที่เขานับถือกันไปแต่แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่า แอนตี้พุทธเาขนาดนั้นแต่ก็คือนับถือคนละแบบปฏิบัติคนละแบบแต่พวกที่แอนตี้พระุทธเามากๆเลยคือพวกเดรรทีเดรรทีอาจจะใช้คําว่าเดรรทีเช่นนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเดรรทีซึ่งการที่เขาจะมาบวชในคําสอนพระพุทธเาเนี่ยจะต้องอยู่ปริวาสสีเดือนอะไรก็ว่าไปนะแต่ลักษณะของปริภาชกเนี่ยอาจจะมีข้อยกเว้นได้บ้าง เช่นตอนสุภัตตปริพาชคหรือว่าอคิเวสนะคนนี้ปริพาชคชื่อทีคันตะเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อยกเว้นได้บ้างแตนะ่เพราะว่า<ม>ด้วยความที่เป็นปริพาชคอาจจะมีข้อยกเวน้นซึ่งซึ่งหมายกับว่าไม่ได้แบบสุดโต่งมากเกินไปถึงขนาดเดรรทีอย่างนั้นอะ น, น, นี่นี่เป็นข้อมูลที่ามาศึกษามาลองเปรยียบเทียบดูนะทีนี้เ้นะนานามสกุลอคิเวสนะอคิเวสนะใช่แล้วชื่อของเขาเนี่ยคือทีคันตะ ที่ค้าขาจริงๆก็ไม่ใช่ชื่อหรอกมารุณพงเป็นฉายาซะมากกว่าเรามาว่าเป็นฉายาเพราะว่าที่ค้านี่แปลว่ายาวันักขาก็คือเล็บนั่นเองอ๋อเล็บยาวเป็นพวกที่เป็นนักบวชชนิดที่เรียกว่ายเล็บยาวครับไว้เล็บยาวเล็บยาวผมยาวพวกใช่ใช่ใ่เคยมีการประพฤติประมาจรย์อันหนึ่งที่เขาปล่อยเล็บให้ยาวไม่ยอมตัดเล็บเนี่ยซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะนักบวชประเภทนี้มีครับอ่า ยาวขนาดที่ว่าเป็นศอกศอกออกมาเลยนะเป็นเป็นหลายเมตรอ่ะเป็นเกือบเมตรออกมาทีนี้นักบวชประเภทนี้เนี่ยเปินคนนี้ทีขะนขับปริพาชกเนี่ยก็เป็นก็เป็นหลานนะมีสักเป็นหลานของท่านพระสารีบุตรตอนนั้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยบวชได้แล้ว15วันแต่ทีขะขับปริพาชกนั้นก็ทราบละว่าลุงของตัวเองเนี่ยไปบวชมาได้แล้วสิบห้าวัน้วก็เลยจะมาเพื่อที่จะมา 15วันมันต้องรู้อะไรบ้างนะคิดว่าอย่างนี้แล้วก็เลยจะมาสอบถามเพื่อที่จะหาความรู้ว่าปฏิบัติปรมจรันอะไรยังไงอไรอย่างเงี้ยในตอนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจด้วยว่ารพระเจ้าสอนอะไรยังไงแ ล, แล้วก็ไม่ทําไมไม่มาปฏิบทติปรมจรัน ค, คืออีกในย่าหนึ่งก็อยากจะมาตามลุงให้กลับไปเพราะงั้นอยากจะมาตามลุงให้กลับไปคือเขายังไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างใช่ใช่ใชแล้วนั้นท่านพระสาตยบุตรเนี่ยก็เป็นโสดาบันนะ เป็นสวันคือก็ยังไม่ได้ปเป็นพระอาหยังไม่ร้อยเน่ะว่างั้นถนะถ้าจะพูดถึงก็คือเป็นขั้นแรกอยู่เป็นโสดิันอืครับตอนนั้นใช่ใช่ก็คือมาละพระสาตรีบุตอนนั้นก็บวชแล้วนะบวชที่เวรุวันนะคืออยู่อีกที่หนึ่งในเมืองราชกฤนั่นแหละครับอ่าเสร็จแล้วก็ตามพระพุทามาที่ถ้าสุกราาตานะคือที่เขากิจกรดอ่ท่านตอนนั้นพรุทาก็อยู่ที่ถ้าสุกราาตากับท่านพระสรีบทท่านพระสัตรีบก็ สบายงานพัดอยู่ ค, ค, คือพัดให้คือพัดให้บูช า, ามีข้อสังเกตตรงหนึ่งตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการพัดนะเหมือนที่ผมตอนช่วงนั้นเนี่ยโดยอรมาสนิฏฐานนะว่าน่าจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นเนื่องจากว่าก่อนมาคบบูชาก่อนมาคบูชาซึ่งตอนนั้นพระสารีบุตรบวชหลังจากบวชได้15วันเนี่ยอีกไม่กี่วันถัดจากนั้นก็จะเป็นวันมาคบบูชาล่ะเพราะว่าตอนนั้นจะมีสาวกครบ1250รูปแล้ว <ม>ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเดือน3ามแล้วก็หมายถึงเดือนกุมภาแล้วก็อาจจะยังมีอากาศเย็นอยู่แต่ที่อาจจะพัดให้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าพัดพวกมแมลงหรือว่าอากาศในถ้ำอาจจะไม่ได้หมุนไม่ได้โฟล์ที่มันก็อาจจะมีพัดให้มีการโฟล์เกิดขึ้นในลักษณะนัแต่คือแน่ๆล่ะอากาศจะไม่ได้ร้อนใช่ไม่ได้ร้อนแล้วก็พอสบายสบายออาจจะค่อนข้างเย็นด้วยซ้ำถ้าใครเคยไปอินเดียในช่วงเวลา น, นั้นนะครั บ, รบทีนี้ในขณะที่ท่านพระสารีบทกําลังถวายงานบัตร พระประชานะอักิเวสนาโคดนะนามสกุลอักิเวสนะเป็นปริภาชคชื่อตีคณิกะหนะมายถึงชายาของเขาเนี่ยทีนี้ในในธรรมเนียมของทางอินเดียนะพอเขาเจอกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทักทายปราศัยพอสมควรใช่ไหมทักทายปลาใสนี่กรทันชื่ออะไรครัพระเจ้ า, าชื่ อ, อนี้ามาอยู่ที่นี่ใครเป็นลูกศิษย์ใครฉันเป็นลูกศิษย์คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือการทักทายปราศใสเสร็จแล้วก็เ ร, เริ่มการโตวาทากันลท้ทีนี้ ต, ตัวสอบภูมิธรรมอ่าใช่โดยการที่ปริพาชกคนนี้เขาก็เริ่มก่อนได้บอกกับพุทธเจ้าว่าตัวของเขาเองเนี่ยเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรแก่ตัวเองอืมใช่ครับสิ่งทั้งปวงไม่ควร แ, แก่ตัวเราครับนะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยในมีคําอธิบายใ น, ในส่วนที่เป็นอัตถกาถาเนี่ยท่านจะอธิบายไว้ถึงเรื่องที่ว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ ย, เ, ยเพราะว่าไม่พอใจที่ที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยมาอยู่กับพพุทธเจ้า หนาไม่พอใจแต่ว่าลุงตอนนั้นก็อยู่ด้วยเลยไม่กล้าพูดตรงๆหนาก็เลยพูดอ้อมๆไปว่าไม่พอใจแต่สิ่งทั้งปวงไม่ควรแกเราลักษณะนั้นอ๋ออ่ไม่ไม่พอใจที่ท่านพระสารีบุตรมาอยู่ด้วยหนาก็เลยพูดอย่างนี้ไปเหมือนประชดประชันใช่ทีนี้คําพูดตรงนี้ไม่รัดกลุ่มครับนาไม่รัดกลุ่มเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันไม่ควรมันก็มันก็ไม่ได้ถ้าเราจะดว่าทุกคนบนโลกนี้หนาต้องเป็นผู้ชายเอก็ผู้หญิงก็มี ใช่ครับใช่ไมันก็ต้องมีบางอย่างที่ควรหรือไม่ควรบางเพราะฉะนั้นอาการที่เขาฟันลงไปเลยฟันตรงลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ควรแกเราเนี่ยจะเป็นคําพูดที่ไม่รัดกลุ่มอย่างยิ่งจะเป็นคําพูดที่ไม่รัดกลุ่มอย่างยิ่งพเจ้าก็เลยใส่เลยตอนนี้มีช่องที่จะเอาคืนได้ทันทีครนะก็เลยบอกเอางั้นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยความเห็นตรงเนี้ยก็ไม่ควรกับท่านด้วยสิอืมคือตรงนี้ลึกนะหมวเราะลึกนะเพราะว่าไอ้ความเห็นที่คุณถืออยู่เนี่ยว่าสิ่งทั้งมวลไม่ควรกับเราก็ไม่ควรกับคุ คืออย่างเช่นบางคนพูดขึ้นมานะหมอได้บอกว่าาผมความจําไม่ดีเลยผมความจําไม่ค่อยดีไงใช่ไหมถ้าเขาพูดขึ้นมาอลูกคุณจําได้ไงว่าคุณความจําไม่ดีซึ่งไปเลยเหมือนกันนะสอนสอนเพราะว่าความที่คุณจําอะไรไม่ได้บางทีคุณก็ต้องจําสิ่งนั้นว่าคุณจําไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคุณจําได้สิใช่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเอามาแย้ํากันได้อ่ะมันก็แย้ํากันไปได้นะซึ่งในกรณีตรงเนี้ที่ที่กันนะค่ะปรีบาโชกับว่าสิ่งทั้งบัวไม่ควรแก้เราพุทธเจ้าก็ใส่เลยตรงนี้ เพราะฉะนั้นความเห็นที่ท่านพูดอยู่เนี่ยมันก็ไม่ควรกับท่านด้วยสิอืมใช่ในครับกรณีเดียวกันไม่ควรกับท่านด้วยครับ อ, อแล้วก็ทําให้ปริพาชกคนนี้เขาก็แฉไปนะใช้สีข้างเขาถูว่าครับไม่ได้อันนี้ต้องควรนีมันต้องเป็นอย่างนั้นอความเห็นเนี้ยควรแก่ข้าพเจ้าละครับพระเดียวยทันมาที่พระเจ้าได้ตรัสกับอคิเวสนาติการณ์ข่ปริพาชกเนี่ย เร่ได้พูดถึงได้ทำฟังได้อ่านหรือได้ฟังพระสูตรตรงนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งพอสมควรนะตรงนี้ประโยชน์ตรงนี้นะคือบอกว่าคนที่ไม่เอาความเห็นอะไรเลยอ่ะอันนี้คืออาจมาจะสรุปให้ฟังนะเป็นคําพูดของอาตมาแล้วนะครับอแต่ว่าคนที่แบบแบบคุณบอกไม่เอาอะไรเลยอ่ะแต่คุณก็ยังไปยึดความเห็นที่บอกคุณไม่เอาอะไรเลยอืมใช่มันยังมีอยู่ใช่คือคุณบอกคุณไม่เอาอะไรเลยแต่คุณก็ไปยึดความเห็นของคุณที่บอกว่าคุณไม่เอาอะไรเลยนั่นแหะ คนแบบนี้ก็ยังมีอยู่มีครับแต่คนที่บอกว่าเอาตรงนั้นแล้วก็ยึดความเห็นนั้นด้วยก็มีนะมีมากด้วยแต่คนที่บอกว่าเอาตรงนี้แล้วก็ยึดความเห็นนี้อันนี้ก็มีก็มีมากด้วยแต่คนที่บอกไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ยึดความเห็นนั้นตรงนั้นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วคนที่บอกว่าไม่เอาอะไรเลยแล้วไม่ยึดความเห็นอื่นด้วยอันนี้มีน้อยแล้วจงเป็นประโยชลักษณะนี้เพราะว่าที่ะคเนี่ย ทําไมเขาทําไมเขาถึงบอกเขาไม่เอาความเห็นอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเครือบแขลงมีความเห็นแย้งอยู่นะจากคําพูดของเขาตรงเนี้ถ้าใม้เราทราบว่าอ๋อที น, น่ะค่ะเนี่ยเป็นคนที่มีความเครือบแคลงมีความเห็นแย้งกลุ่มลุมอยู่มากมีวิจิตรชาใช่จึงบอกไม่เอาอะไรเลยอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกแนะไม่เอาอะไรเลยในความเห็นที่ว่าไม่เอาอะไรเลเนี่ยฉันเอานะ เนี่ยตรงนี้เลยจึงว่าคนแบบนี้ก็มีเนี่ยประโยชนตรงนี้เพื่อที่จะบอกตรงนั้นเนี่ยประโยชน์ที่พระเจ้าพูดอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะบอกว่ามันมีตรงนั้นนีแ ล, แล้วก็อธิบายขยายความต่อไปแต่ประเด็นถ้าถ้าฟังในพระสูตเนี่ยในหัวข้อที่สองร้เจ็นีพระเจ้าก็จะอธิบายสเตตเมนต์ตัวเนี้ยในะในข้อที่บอกว่าคนอย่างนี้มีมากคนอย่างนี้มีน้อยตรงเนี้ยน ะ, ะอันนี้เป็นเหมือ น, นกับเปิดหัวเรื่องเอาไว้เปิดหัวเรื่องเอาไว้เปิดตัวแปรเอาไว้ แล้วก็มาแก้สม ก, การให้คุณเห็นในข้อที่270อยเจ็ดสิถ้าเราไปดูในประสูน์นะในหัวข้อที่270เนี่ยเป็นการแก้สมการที่เปิดหัวไว้ตรงนั้นที่เราพูดไปอย่างนี้ทีสมการที่พระาแก้แก้ว่าอย่างไรแล้วก็มีอยู่3สมการตรงนี้สมการแรกก็คือพูดถึงบอกว่าคนที่เห็นว่าสิ่งทั้งวงควรแก่เราก็มีนนี่คือตัวแปรแรกตัวแปรที่2ก็คือคนที่เห็นสิ่งว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างควรแก่เรานี่คือ สมการที่สองนะทุกสิ่งทุกอย่างควรแกเราสิ่งแรกเนี่ยตัวแปรแรกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรแกเราตัวแปรที่2คือทุกสิ่งทุกอย่างควรแกเราตัวอย่างที่สามตัวแปรที่3มก็คือบางสิ่งควรบางสิ่งไม่ควรโอเคนะบางสิ่งควรบางสิ่งไม่ควรทีนี้ใน3อย่างใน3ตัวแปร3สมการเนี่ยผู้เชี่ยวอธิบายเอาไว้สมการแรกก็คือพูดถึงว่าสิ่งทุกอย่างสิ่งทั้งปวงเนี่ยควรแกเรา นี่คือตัวแปรที่1สมการที่1นึ่งสมการที่2คือพูดถึงสิ่งสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรแกเราและนี่คือตัวแปรที่สองสมการที่สองและที่3ก็คือบางสิ่งควรบางสิ่งไม่ควรอันนี้คือข้อที่3สัมแล้วในข้อแรกที่พูดถึงว่าสิ่งทุกสิ่งควรแกเราเนี่ยก็อธิบายไว้อย่างนี้ว่าคนที่มีทิฏฐิมีความเห็นว่าสิ่งทุกสิ่งเนี่ยควรแกเรามันก็จะดีไปหมดมันก็จะเอาไปหมด มันก็อยากได้ทั้งหมดนะเขาก็เลยจะมีกิเลสนะเพื่อที่จะเข้าไปหาไปยึดถือไปเพลิดเพลินไปเกลือกลัวในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะก็จะเข้าไปหาลักษณะนี้อืแล้วเขาก็จะเห็นแย้งกับพวกอื่นนะถ้าใครบอกว่าสิ่งนี้ไม่ควรอ้าวเขาก็จะเริ่มเอาก็ฉันว่าควรนี่ใช่ไหมก็จะเริ่มเห็นแ<า>ย้งกันละะมีปัญหาละนะคนบอกว่าบางทีก็ควรบางทีก็ไม่ควรอ้าวก็จะเริ่มมีปัญหากับพวกที่เห็นว่าควรใช่ไหม ดังก็จะมีปัญหากับอ right. yeah. uh ีก huh. 2งพวกที่เหลือในส่วนตัวแปรที่2สมการที่2องนั่นคือพวกที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรกับเราครับนะพวกที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรกับเราเนี่ยเขาก็จะหลีกหนีออกจากสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ก็จะมีความไกลจากกิเลสอยู่บ้างอาจะไม่เข้าใกล้กิเลสที่ทําให้เกิดความยึดถือความเพลิดเพลินพวกนั้นแต่ที่นี้เขาก็ยังจะมีการที่ทะเลาะเบาแว้งกับพวกที่ควรอยู่ดี เห็นแย้งกันเห็นแย้งกันนะก็จะมีการวิวาสตรงนั้นได้นะแล้วก็จะมีเวทการวิวาสอีกสองพวกร์ป้าูชาพูดถึงตรงเนี้ในที่คณะขาปริภาชกเนี่ยก็คิบว่าผู้ชาเนี่ยเห็นด้วยกับตัวตัวของตัวเองเห็นด้วยกับตัวเองตรงที่ว่าไกลจากกิเลสที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินครับเพราะว่าคนที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรแก่ตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ไม่เอานี้ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาจทีช่างเขาจะน้อมไปในการยึดถือเนี่ยก็จะน้อย นะีพอพูดตรงตรงนี้ทีกันนักข่าก็คิดว่าครูเจ้าเนี่ยเห็นด้วยกับยกย่องความเห็นของตัวเอง oh, แต่ตอนี้นมันจะมีส่วนที่เรียกว่าจะทะเลาะกับคนอื่นนี่ไงส่วนที่เรียกว่าเราก็จะทะเลาะกับคนที่เห็นว่าควรคนที่เห็นว่าบางทีก็ครวรบางทีก็ไม่ครวรก็จะ ม, มีปัญหากับคนพวกนั้นเนี่ยตรงนี้ hmm. แตอนนี้ตัวแปรที่3สมการที่สกนะ็คือคนที่เห็นว่าบางสิ่งก็ควรบางสิ่งก็ไม่ควรถ้าเข้าไปยึดถือตรงนั้น ถ้าเห็นเขาเห็นอย่างนี้เขาก็จะส่วนที่เขาเห็นว่าควรเนี่ยก็จะใกล้กิเลสส่วนที่เขาเห็นว่าไม่ควรเนี่ยก็จะไม่ใกล้กิเลสครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะไปมีปัญหากับคนที่เห็นว่าควรและคนที่เห็นว่าไม่ควรอยู่นั้นอย่างดีใช่ครับเป็นแย่งกันพอยึดถือผิดความเห็นตรงเนี้ยที่พระเจ้าใช้คําพูดที่ว่ายืนยันโดยแข็งแรงไปว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าครับสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า นืยึดมั่นด้วยทิฏฐินะตรงเนี้ยจะทําให้แต่และฝ่ายเนี่ยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้ให้ทีกาณก ะ, ะวารีภาโชคเนี่ยเริ่มสังเกตแล้วว่าออเยมันมันแยกกันได้อย่างนี้นะมันมีการยึดถือในสิ่งที่ไม่ควรก็มีนะครับการยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าตัวแปรที่ผู้ชอบเปิดเผยขึ้นมาตรงนี้นะมรุภงน่าสนใจมาคือ ค, คําที่ว่ายึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าใช่ครับตอนแรกที่เรากำลังพูดถึงตััววแแปป3ต ที <C ell> ่ผถึงว่าสิ่งนี้ควรควรอันนี้อันที่หนึ่งสิ่งนี้ไม่ควรอันนี้นที่2แต่บางอย่างควรบางอย่างไม่ควรนี่ตัวไปที่สามแต่แต่สิ่งทั้ง3อย่างเหล่านี้ก็ลักษณะมันก็อย่างที่ว่าแ ต, แต่ไม่เข้าใจ ก, กีเลสไม่เข้า ก, ากีเลสก็ว่าไปกลายทาให้ตีฆราคาเนี่ยคิดว่าตัวเองถูกด้วยซ้ําแต่แต่มันมีตัวอันหนึ่งที่ที่ตีฆราขาเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจคือความยึดมั่นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรตรงนี้มันจะทําให้เกิดการทุมเถียงกัน แก่งแย่งกันนะขัดแย้งกันพอมีการทุ่มเถียงแก่งแย่งขัดแย้งกันแล้วมันก็มีเรื่องมีราวแล้วตอนนี้ใช่ครับทนะเลาะเบาแวงใช่ก็จึงพูดถึงทางออกคำสองพระเจ้าเนี่ยจะเนี๊บมากมาอนตรงนี่ย ม, นะมีทั้งการาประกาศตัวแปลให้เห็นปัญหาเสร็จปุ๊บนะเอาตัวเอาอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าตรงนี้มันคือปัญหาจริงๆเนะนี้ที่เราไล่มานะไล่กันมานะ คือเนื่องจากว่าทีฆะนักข่าเรามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะมรรพงศ์ <c oughs> ทีฆะักข่เนี่ยเป็นคนที่มีความเครือบแคลงมีความเห็นแย้งคือมีวิจิกิจฉาอยู่แล้วสังเกตได้จากคําพูดของเขาสังเกตได้จากคำพูดของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะมีทิฏฐิที่ว่าอะไรอะไรก็ไม่เอาเพราะมันแ บ, บบแบบงงอ่ะไม่เข้าใจเคลือบแคลงเห็นแย้งอยู่ก็จึงไม่เอาที น, นี้แต่เขาดันไปยึดมั่นในทิฏฐิของนั้นพระเจ้าก็เลยประกาศตัวแปลให้เห็นสา ม, มังนะนะทีนี้ก็อธิบายต่อไปว่าจริงๆริงนั้นไม่ใช่ปัญหา นะก็เป็นปัญหาของมันอยู่ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาที่แน่นอนกว่าที่ชัดเจนกว่าคือการที่คุณเห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนะืยืนยันแข็งแรงโดยไปอย่างนี้ก็จะทําให้มีการทุ่มเทียงกันนะพอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยความแจ่มแจ้งแห่งจิตในความเห็นอาตมานะคิดว่าคิว่มีคิดว่ามีามเพราะว่าเไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของวิปัสสนานั้นในข้อต่อไปข้อสอง 272ที่ในอยู่ในหัวข้ อ, อนี้นะถ่าดูฟังอ่านไปด้วยดูพระสูตไปด้วยเนี่ยในหัวข้อ272เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการทําวิปัสสนาแล้วอืมใช่ครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้เ ช, ช้าได้คลายความเคลือบแคลงเห็นแย้งไปบ้างแล้วถึงขนาดทําให้จิตเนี่ยเริ่มมีสมาธิแน่นอนอืมเริ่มก็เรียกว่าคลายเจ้านิวรณ์คือวิจิตริจารได้บ้างนี่ความเห็นธรรมานะครับผู้เช้าถึงได้ชิปได้เปิดเรื่องวิปัสสนาขึ้นมา และชีพิน<ม>เรื่องวิปัสนาคือการที่เห็นว่ากายเนี่ยเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมไอเรื่องนี้ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับกับเรื่องของทิฐิเลยเนะี่ยมโนงนึกว่าไหมครับมันไม่ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของทิฏฐิว่าใครเห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอะไรต่างๆเอ๊ะทำไมพระเจ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอืมใช่อชนี่นี่คือความเห็นที่มาคิดว่าโอ้พระเจ้าคงจะต้องเห็นว่าจิตของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเป็นสมาธิแล้วจึงเริ่มที่จะฟังทำรู้เรื่องแล้วครับจึงสอนสิ่งที่ เป็นคำสอนของพุทธะในเรื่องของการทำวิปัสสนาตรงนี้อ<ม>นะว่าให้เห็นกายเนี่ยโดยความเป็นของไม่เทียเท่ยงมีมาไดาบได้บิดาเกิดมีธาตุสีดินน้ำไฟลมเจริญขึ้นด้วยภาพสุกนมสดพวกนี้นะเห็นเป็นลูกหัวฝีเป็นลูกสอนเปนความยากลำบากเป็นของยืมเข้ามาพวกนี้เป็นตน้นครับนะจะ้นไม่เกิดความคลายกําหนัดคลายความพอใจในกายได้คอันนี้คือไม่เที่ยงเป็นทุกใช่นี่คือข้อสองนะคือเรื่องของวิปัสสนา ทําความให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกนะในข้อ273ที่ว่าแม้แต่ในกายเนี้ยมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นในกายที่มีเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามในเวทนา ท, ทั้งหมดเหล่านั้นเนี้ยก็มีความไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดานะทั้งโยงตรงนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาทั้งนั้นเลยอ่แตเป็นเรื่องของวิปัสสนาทั้งนั้นแล้วก็พอได้ฟังอย่างนี้ นะจิตมีสมาธิด้วยจิตมีวิปัสสนาด้วยเอาก็แจ่มแจ้งตอนนั้นองนะแจ่มแจ้งจริงๆแล้วอาตมาคิดว่าประสูตรนีั้งประสูตรเนี่ยถ้าสมมติทีาา่าข้ออาตมาไม่ถูกนะหรงครับแต่ไม่ถูกว่าจริงๆแล้วเรพระชกอคีอควสณนะนี่ก็ไม่ได้สามารถใครวิจิกิจชาได้เท่าไหร่หรอกก็อาจจะยังมีความเคลือบแคลงอยู่จิตอาจจะไม่เป็นสมาธิครับแสดงว่าเทศฐานภาษาดีบุตรฟัง Oh. เทธต้องให้ท่านภาษาดิบุตรฟังในหน้าพระท่านภาษาดิบุตรนั่งฟังอยู่ด้วยนั่งฟังพัดอยู่อ่าพัดอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะามาพูดทําไมก็คงจะเทศใธท่านภาษาดิบุตรฟังด้วยนะ ค, คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยอืมแล้วก็พูดถึงเรื่องวิปัสสนาตรงนี้นะเรื่องเวทนาต่างๆนะว่ามันไม่เที่ยงนะมีความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปคลางคลายไปเป็นธรรมดานะเพราะหมดคํานี้เท่านั้นอ่ะหมดคานี้เท่านั้นแหล ะ, ะก็ปรกากฏว่าท่านภาษาดิบุตรนี่ ก็บรรลุธรรมเหมือนกันครับคือหมดคํานี้เนี่ยหมายความว่าอพอผู้ชาได้ตรัสถึงพอเห็น3อย่างนี้เห็นเป็นา3อย่างนี้ด้วยความเป็นตองไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยก็ย่อมรู้อยู่นะว่าความสุขนั้นความทุกนั้นความไม่ทุกไม่สุขนั้ น, นจะคลายกําหนัดได้ก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้คน <ừ> ที่มีทิฏฐิอยู่อย่างเนี้ยคนที่ทําได้แล้วอย่างเนี้ยก็จะไม่วิวาดกับใครจะไม่แกลงแย่งกับใคร จะไม่ต่อว่ากับใครเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีปัญหากันมา3อย่างตอนแรกเนี่ยที่ว่าจะมีความวิวาทกันด้วยความเห็นที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจรงิงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ย ค, คนที่มีคนที่สามารถทําได้อย่างนี้เห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะไม่วิวาดกับใครก็ได้อืใช่ครับแต่ตรงนี้เราจะเห็นความเชื่อมโยงกันของธรรมะนนในข้อที่ว่าพอเราคิดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยบอสบงมันจะเกิดเวทนาขึ้นอืใช่ครับถ้าเราคิดว่าพุทธวจนะเท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่าเราจะเกิดเวทนาขึ้น<ล>ถ้าเราคิดว่าคําสอนของคนนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่ า, า ham, เราจะเกิดเวทนาขึ้นถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราจะเกิดเวทนาขึ้นและไอเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราละไม่ได้เราจะต้องทุ่มเทียงกับใครสักคนใคนหนึง่งครับแต่ถ้าเราละได้นะโดยการที่เห็นมันเป็นของไม่เทียเท่ยง เ, เีี่ยยเทงราจะไม่ทะเลาะกับใครอ๋อแล้วก็โวหารใดๆที่เขากล่าวกันอยู่เนี่ย เราก็กล่าวโวหาร น, นั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่ครับอ่าตรงนี้ทําให้ท่านพระสัตยบุตรเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์โอ้ น, นครับได้อา น, นิสงส์งเยอะนะครับอ๋อก็คือไม่ไม่ยึดมั่นก็คือไม่ไม่มีอุปท า, านถูกไหมครับถูกต้องไม่ยึดมั่นในความหมายที่เขาพูดกันนั้นนั้นคือเราไม่ยึดถืออ่ะครับอืมเพราะว่าเราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราละเวทนาตรงนั้นได้ นะปรากฏว่าท่านภาษาดิบุตรเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรันนะไม่ได้พระสูตรหนึ่งซึ่งเราจะพูดในตามพระสูตรนั้นด้วยที่ผู้รู้จักยกย่องท่านภาษาดิบุตรอธิบายถึงอาการที่ท่านภาษาริบุตบรเนี่ยบรรลุธรรมใโดยการเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติแนะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยพระท่านภาษาดิบุตรเนี่ยก็เข้าสมาบัติลึกไปเลยนะถึงขั้นได้ว่าอารูปสัญญาแต่ถึงขั้นที่เรียกว่าเนวสัญญาณสัญญายสนะนยถึงขั้นว่าสัญญาเวทาหิาเตนิโรดด้วยซ้ํา แต่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นช่วงที่ยาวอะไรอาจจะเป็นช่วงสั้นๆก็ได้และนี้ในความหมาได้มานะครับซึ่งทําให้การเห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับไปตรงนั้นก็เห็นอย่างที่ท่านว่าคือมีสติตลอดลในการเข้าในการออกในการเห็นมันเกิดขึ้นในการเห็นมันตั้งอยู่ในการเห็นมันดับไปในเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นในลักษณะนั้นครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอธิการณขันบริบาชกเนี่ย ก็ได oh. ้คลายความเครือบแคลงในคําสอนพระเจาแล้วบทเพี้ยนชนะตรงนี hmm ้คือหมายถึงเป็นโสดาบันนั่นเองอ๋อเป็นโสดาบันนั่นเองแต่ไม่ได้พูดเต็มๆว่าเป็นโสดาบันนะครับแต่พูดว่าเประสบัารอ่าเป็นอาการที่อธิบายว่าโสดาบันเนี่ยจะข้ามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามคําสอนอื่นของศาสนาต้นก็จึงยกย่องพระชาว่าโอ้แจ่มแจ้งนักไปรอดนักซึ่งตรงนี้ใครก็ตามที่ได้โสดาบันก็จะอธิบายบทเพี้ยนชนะตรงนี้ไว้ในพระสูต์อื่นๆ แต่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเป็นโสดาบันนะครับแต่คําพูดที่เรียกว่าคลายความเคลือบแคลงข้ามความสงสัยได้เนี่ยก็จะใช้ในที่อื่นที่ว่าบอกถึงความเป็นโสดาบันก็มีอยู่ครับอย่างไรก็ตามตัวนี้พอมีความแจ่มแจ้งแล้วใ น, นที่การนักขาวปรีพาร์ชชนก็แสดงตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตอแล้วก็คือถือรัตนะตรายตลอดชีวิตก็น่าจะเป็นโสดาบันนั่นแหละน่าจะไม่พลาดเนี่ย ทีนี้ในเรื่องราวของการบรรลุธรรมของท่านพระสารีบุตรนะซึ่งเราก็จะมาพูดถึงเมื่อตอนที่พระสูตรนั้นมาถึงนะครับที่พรุชาได้ตรัสถึงการบรรลุของท่านพระสารีบุตรทึงพูดถึงเรื่องของการเข้าสมาบัดออกสมาบัดเรื่องของสติไปรตอนนั้นเราก็จะพูดถึงตรงนั้นเพราะในเรื่องพระสูตรนี้ในสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตอีกครั้งหนึ่งหมายถึงฟังให้มันซ้ําให้มันเข้าใจเนี่ยคือเรื่องของความเห็นที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า นะทําความเข้าใจนะทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีเพราะว่าตรงนี้จะทําให้เกิดเวทนาเกิดขึ้นะังนะถ้าเรา<ะ>มีเวทนาอันเป็นผลของความเห็นตรงนี้ว่าอันนี้เท่านั้นจริงกนะรุบาอาจารย์องนี้เท่านั้นจริงองอื่นเปลา่านะหรือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นปลา่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแล้วเราจะมีปัญหาตันดีอแล้วก็เราก็ควรจะพิจารณาให้เห็นกายของเราเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะเวทนามันจะเกิดขึ้นที่กาย เวทนาเนี่ยไม่ว่าจะมาทางหูเวทนามาทางตามันก็จะมาเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจะนะเวทนาเกิดขึ้นในกายเนี่ยก็หมายความว่าเกิดขึ้นในใจของเรานะเพราะว่า<ช>เพราะว่ากายของเราเนี่ยมันใจมันมารู้สึกถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นในกายของเราเนี่ยมีใจอยู่นะคือมันล็อกอยู่ตรงนี้เปด้วยความที่มันเป็นภพนะถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิดตรงนี้ถ้าเราเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงแก็จะทําให้เรารู้ว่า เวทนาที่อาศัยกายเกิดขึ้นแต่กายนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นมันจะเที่ยงได้อย่างไรก็ไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ใช่การตรนนี้เราต้องทําความเข้าใจพิจารณาให้แจ่มแจ้งอันนี้คือประสูท์เรื่องของทีคันข่าบปรีบาชกเป็นประสูทธ์ที่ไม่ยาวเกินไปแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ให้สามารถที่จะคไขครวยมาพูดคุยกันได้ในรายการเราอยู่ในมัชฌิมนิกายในข้อที่269เริ่มตรงนี้ ถ้าท่านยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังมีพระสูตรที่ได้อ่านไว้ให้อยู่หรือถ้าใครสะดวกในการอ่านก็ลองเปิดมาอ่านดูทําความใคร้ควณทำความเข้าใจแต่จะให้ถึงความเจ็บแสจงเกินได้เมาแล้วพงมีอะไรเพิ่มเติมไหมในเรื่องของพระสูตรนี้ก็พระสูตรนี้ดีนะครับท่านเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเข้าใจไม่ยากนะครับใช่ใช่เราก็จะนําเรื่องราวพระสูตรต่างๆ่างเานี้มาคุยกับท่านผู้ฟังในทุกสัปดาห์แวันนี้อาจจะเอาเรื่องพระสูตรนี้สัปดาห์หน้าจะเอาอีกพระสูตรหนึ่ง ก็พยายามที่จะทำไปไล่ไปให้มันครบทั้งประไตรปิดกนั่นเองครับท่านผู้ฟังมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็ถามมาได้ที่พิเอลธรรมะ .com เหมือนเดิมนะครับตรงคอมเมนต์หรือคำถามใช่ไหมครับได้ครับแล้วว่าคราวต่อไปก็จะนำพระสูตรอื่นๆมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพรครับครับนมสักการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูร์ณพิบุโนครับ